มผมเดี่ยวเป็นก่อนลำเรินผมเดี่ยวเป็นก้อนลำเรินและขอชวนเจ้ให้เดินลงดนดำนาฝนกว่ า, วายุงหยาได้แรมและโปรดจะแกล้งพวกเราชาวนาผมมากับก้อนลำเรินผมมากับก่อนลำเรินขอให้เจ้าเอาื้อมมาลำเพื่นดำนาคุณป้าหรือว่าคุณลุงต้องผมเผายุงหวามุมทำนาอาสาทำกินและเผื่อชาติอาสาทำกินและเผื่อชาพ่อครับ Madam, I'm here. เดือดละมาดำหน้านำพี่โอแมนสินีผู้จากบ้านให้โออง่หงเตามาพวกน้องหลายมาซอยล้งดำหัวฟังลำหมอยุ่นจังคอยหมุนเด้อป้าหน้าของเจ้าดำไปอย่าได้แกนอย่าได้แหนผื่นฝ้ากะสิหีใสาหัวตัวเจ้านั่นให้แรงแรงทางไทยกะแต่จะไว้ลายเด้อที่ห้องอาห้ามตามบนพนหน้าเฮยบขี้อ้ามีอยู่ออกมาอวดตะเกียกหน่อยพี่คอยทาแม่มาปุมมัดการดอกตังอ์ทารงดำอุ้มมัดกาม่ตังอ์ทารงดำสองมือ้อมห้อยไทยพีไลควายตามคน นานนหรือว่าหน้าลุมนาโนนหรือว่าหน้าลุมถ้าสองเมื่อจุ่มงมเราจะต้องดำเราทำกันมาสมัยผู้เราทำกันมาสมัยผู้แม้ควายตัวกะไทยอยู่นั่นไงเอาเฮือไปไปไปไปไปเอาเฮือห้องฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องอีู่ดูเอาฮ้องอย่ามองแง่อย่าใดแถวเว็บแถวแวนอย่าใดแถวเว็บแถวแหวนละเดี๋ยวจะโดนแทะมาห้อง รักน้องพี่ต้องทำงานเพื่อรอไทยหวานเราสงสร้างน้ำบุญพิบายน์เละเป็นคนไทยหวานพิบายน์เละเป็นคนไทยหวานเพื่อรอนองคันมาช่วยหวานช่วยดำจนแดดถึงผิวจะช้ำฝนพลั้มและวถึงผิวจะมองรักน้องพี่ต้องจำทนรักน้องพี่ต้องจำคนลรบารักหน้นามนยังพูดคนเลื่อยไป ที่ไม่เคยวางดำห่างและที่ไม่เคยตีดำหีและที่ไม่เคยแกลดำขีละที่ไม่เคยแกลี่ตู้เขาแวะมึงจะแวะนี้ไปเอาเฮ้ยไปไปไปไป ต้องหัวหมุนพอไม่มีทุนสิมาแต่งน้องยาอาสาลำเพิ่นล่องผ่านอาสาลำเพิ่นล่องผ่านขอเชิญทุกท่าน isans เราทำนาขอเชิญทุกท่าน isans เราทำนามองบนฟ้าเาฝนละเทมาไงมองบนฟ้าฝนละเทมาไงก่อนจะไทยรเบเควุยย่ยคุยหนาชุ่มเย็น กบเกล็ดเต็นละหองทรงเป็นเพลงนั่นเก่งๆนอฝนห ล, ล่นลงห้ามพื้นพื้นหน้าแรงดินแหงกะเศร้าไงเฮนน้ำไหลจนจ น, จนพิโคนห่าวตื่นซมไผ่กะก้มิตังอัาลงดำไผกะก้มิตังอาัาลงดำหูวฝังลำไปน้ำไม่ค่อยทำผู้เดาป่าค่อยดำผู้เดาป่าดเดาป่าผู้เดา